น้ำก่อนนะฮะจ้าเอาสิลูกแล้วก็รีบลงมากินข้าวเช้าด้วยละ่ะแม่ให้แมคโครเขาเตรียมอาหารไว้พร้อมแล้วนะลูกได้ครับแม่จ้าเออพ่อพ ก, กี่ครับป้าอยู่กินข้าวเช้าด้วยกันนะจ้าเออผมเกรงว่าจะไม่ได้ไม่ได้ฮะอ้าวทาไมละ่ะผมต้องรีบไปทํางานครับเฮ้ยจะรีบไปทําไมจนุญายนายอยู่ที่นี่อยู่กับฉันกินข้าวเช้ากับแม่ฉันแม่ฉนันอุตส่าห์ชวนนาย จะเป็นเศษแม่ฉะนหรืองไงฮะก็คือคือว่านะนะพ่อกี้ อ, อยู่กินข้าวเช้าดีกันนะเรื่องงานพักไว้ก่อนเถอะถ้ามีงานที่ต้องทำก็โทรให้เลขาเขาจัดการไปก่อนดีไหมเออก็ดีมากจ้ะขอบคุณมากครับไม่ต้องขอบอกขอบใจะอะไรกับฉันหรอกนะเธอก็เหมือนลูกหลานฉันนั่นแหละถ้าบริษัทตเทพเข า, าไม่ได้เธอช่วยงานก็คงจะไปไม่ถึงไหนจริงไหมล่ะ โอ้โยแหน่นี่ผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรอกครับป้าผมก็แค่รับคําสั่งจากเทพตัวนั้นเองนะฮะเอ้ยนายน่ถอมตัวมากไปหน่อยแล้วมั้งเพื่อนอก็มาเรื่องจริงกินะเรื่องจริงอะไรงานที่ได้รับผิดชอบก็ต้องผ่านฉันเลยนะนายจัด ก, การได้และตัดสนใจได้อยู่แล้วแต่คนที่ป้องงานเข้าบริษัทก็คือนายคนเดียวเท่านั้นนะเพื่อนนะถ้าไม่มีนายเนี่ยบริษัทจะอยู่ได้ยังไงเออไ<ะ>อ้ฉันก็แค่หางานเข้าบริษัทเท่านั้นเองอ่ะ แต่ทํา ง, งานที่ฉันป้อนนายไม่มีความสามารถจะไปรอดไหมที่ลูกค้าเชื่อมือเราเนี่ยเพราะนายคนเดียวน้เว้ยเกินไปเพื่อนไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอ้านายรีบขึ้นไปอาบน้ำเถอะปะเออต่างแค่ไปด้วยสิเพื่อนเอาว่าใจฉันขึ้นไปทําไมวะเอินน่าขึ้นไปนอนเล่นสักหน่อยก็ดีนะเพื่อนอ่าอ๋องานก็นได้เดี๋ยวลงมานะปะจ้ะตามสบายจ้ะ จากนี้ไปเนี่ยนาจะวางแผนการยังไงวะก็ต้องเริ่มต้นจากงานประมูลของหน่วยราชาการก่อนอืมน้าคิดว่าจะแข่งกับเข้าได้หรือเปล่าไม่น่ามีปัญหานะพวกงานของเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าบริษัทบิกบ๊กๆเลยนี่นาะแต่ความน่าเชื่อถือนี่บริษัทบิกบ๊กบๆยังไงก็เหนือกว่าเรานะ <S <S 2> <S 2> <S เอะน า, NAU ายังไงฉันก็ต้องลุยไปข้างหน้าอยู่แล้วอุตสาห์ไปศึกษางานถึงแคนาดาและที่อเมริกาด้วยทุกอย่างจะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนะเพื่อนเฮ้ย อย่าคาดหวังให้สูงนักนะเพื่อนนะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนักหรอกแค่พลอยทำให้บริ ษ, ษัทของเราเนะ่ะขยายงานได้มากกว่านี้สักห้าเท่าฮะฮะว่าไงนะเฮ้ยตะกี้นี้นายพูดว่าไงวะ呵呵ตกใจมากเลยที่ไงเพื่อนฮ<ต>ะโถเป็นใครมาได้ยินนายพูดแบบนี้ก็ต้องตกใจกันทั้งนั้นละโว้ยก็ทำไมต้องตกใจด้วยล่ะเอามากกว่าห้าเท่าเชียวนะ บุคลากรของ เ, ขเรามีพร้อมแล้วหรือไงเพื่อนนะนี่<ะ>นก็ค่อยๆก้าวคุนไปไงเราบุคลากรก็ค่อยๆหาเข้ามาได้นี่วาเราไม่ได้ทําแบบก้าวกระโดดสักหน่อยจะไปซีรีส์อะไรนักหนาแล้วโอ้โหแมมก็นึกว่านา้านี่ยจะเล่นแบบก้าวกระโดดอะ่ะใครจะทําอย่างนั้นใครอะแป้นเองค่ะคุณเทพแป้นมีอะไรหรือเปล่าอ่ะหรือแม่ให้แกกขึ้นมาตามชั้นไปกินข้าวงั้นไปบอกแม่ทันทีว่าอีกสิบนาที ใช่กีก่จะลงไปกินข้าวนะเปล่าคุณผู้หญิงไม่ได้ให้แป้นขึ้นมาตามคุณเทพไปทานข้าวหรอกคะอ่ะอ้าวถ้างั้นแป้นมีอะไรหรือเปล่าล่ะเออมีสิคะแป้นเข้าไปในห้องนอนของคุณเทพได้หรือเปล่าคะได้สิเดี๋ยวนะให้กี่ช่วยโยนผ้าคนหนูให้หน่อยสิวะอยู่แป้นเห็นฉันสวมบางเกงในตัวเดียวแบบเนี้ยช็อกตายแงเลยเอาๆนี่อ๊อบอ้าวฉันโยนเลยครัเอออืมเข้าไปได้หรือยังคะคุณเทพอ้าเข้ามาได้ค่ะจะเข้าไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะ คุณเทพยังไม่ได้อาบน้ำอีกหรอคะยังเพิ่งขึ้นมาถามทำไมอ่ะอนี่แป้ค่าคุณกี้เธออยากจะอาบน้ำให้เจ้านายของเธอหรือเปล่าล่ะฮะด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเลยค่ะขอแค่คุณเทพเอ่ยปาดเท่านั้นแหละค่ะกำลังรออยู่ค่ะน้อยหน่อยแป้ได้น้อยหน่อยนี่เราที่จะชูเหมือนกันนะเนี่ยฮะแหมก็แค่ร้อเล่นเท่านั้นเองแหะค่ะ แต่ถ้าให้แป้นทําอย่างนั้นจริงๆแป้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแป้นจะประมารหรือเปล่าค่ะแกไม่ต้องคิดเดีนั้นเลิกได้เพราะฉันไม่มีวันใช้แกอับน้ำให้ฉันเด็อดขาดก็คือว่าเออเดี่ยเข้าไปห้องนอนฉันมีอะไรอ่ะแป้นมีค่ะมีมีอะไรเล่านี่ค่ะเป็นจดหมายของคุณเทพค่ะแป้นเก็บเอาไว้ให้ค่ะอืมขอบใจมากไม่เป็นไรค่ะเออไม่มีอะไรแล้วแป้นลงไปนะคะอืมก็ไปสิค่ะ จดหมายอะไรเพื่อนจุดหมายจากสุอ่อ้าวเอ๊นี่เธอส่งมาทําไมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่เดี๋ยวนะขอฉันฉีกอ่านดูก่อนและอันอืมอะไรเพื่อนเฮ้ยนี่มันการเชิญนี่หว่าเฮ้ยการแต่งงานใครใครแต่งงานวะเพื่อนนี่นี่นี่มันสู่แต่งงานนี่นะนี่มันอะไรกันอนะ่ะ สู้ต่างหากับคนอื่นไม่ได้แต่งกับฉันมันอะไรกันนะเพื่อนคุณกำลังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เซเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment มองสืงถึงความหวังเด็ดที่มีหรือไม่สุรอรอแล้วรอแล้วรอไม่สิ้นรอจนใกลดังทุ่งทั้แผ่นนิ่งแผ่นฟ้าเธอมองไม่สืง สายตาเธอมองไม่ซึ้งถึงความบูชาว่าฉันสรัทธาเพียงใดน้ำยหยดลงพินทุกวันเห็นมันยังก้อนแต่หัวใจอ่อนอ่อคงเธอทำดูสิ่งใดฉันไม่สะทดสะทานสถเทือน Fall, <San> who? For what? Thank you. So g o u t h a n t y for o o t u ฉันเสียน้ำตาไปเท่าไรกลัวจะทอจนกลัวจะลองคบใครโทษฝ่าโทษโชคชะตาโหดร้ายมองตัวเองไม่มีค่าใดที่ยังหายใจอยู่คงเพราะรอวันนี้รอคนดีพร้อมมันใจวาววาแต่สุดท้ายก็พบเธอ She waits f o me. จะเผาจนใจไม่เกรียมอาจเป็นฝนที่หนาวเน็บฉันก็ยอมเสี่ยงเพียงได้เจอรักแท้ฉันเน็บหนาวเท่าไรไม่กลัวจะเปียกฝนเท่าไรก็ยอมฉันหวังแค่ให้มีคน ให้ฉันรักยืนคอยตรงนั้นก็ชื่นใจอยากที่รักจริงๆสักทีไม่ว่าร้ายว่าดีฉันพร้อมล่ะด้วยใจ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 ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ใครช่วยอธิบายฉันเขา้าใจหน่อยสซว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะขอโทษนะคะอ้าวเป้นนี่จีไม่ไปไหนเหรอ แป้นไปแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ปิดประตูแล้วเห็นคุณเทพกําลังตกใจก็เลยเอเข้ามาเข้ามาเอแล้วแกจะเข้ามาในห้องนอนชั้นทําไมเฮียแป้นเอคุณเทพคะแป้นขอโทษคะ่ะแป้นไม่ได้ตั้งใจจะทําให้คุณเทพเสียใจแป้นผิดไปแล้วยกโทษให้แป้นด้วยนะคะถั่วเฮียแป้นแกได้จริงๆเลยนี่เฮียแป้นคะคุณกี้เธอออกไปก่อนปะ แล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นบอกป้าว่าเดี๋ยวพวกเราจะลงไปกินข้าวนะค่ะค่แต่ว่าคุณเทพไม่เป็นไรแน่นะคะคุณกี้ก็น่าจะไม่เป็นไรมั้งแต่ถ้าเป็นอะไรล่ะคะนี่เย้แป้นฉันจะไปอีกตรงที่แกเนี่ยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนี่แหละอย่าโดงสักตืตต์มั่ยฮะอุ้ยไม่อะไม่นะคะคุณเทพอย่าทําโทษแป้นเลยนะคะถ้าแกไม่อยากโดนทาโทษแล้วก็ออกไปซะดีๆเดี๋ยวนี้เลยชักช้าร่ำไรอะ ฉันจะเจัการคว่างใส่กบาลแกเลยคุณแทบแป้นกลัวแล้วละค่ะอย่าทําอย่างนั้นนะคะก็ไปเจ้ถีสิใหญ่แป้นไปเ ย, ย, <โฮ S 1> ยไปเดี๋ยวนี้ละคะ่ะออนี่ชั้นควรจะทํายังไงดีวะฮะกี้บอกที่มาถีสิตอนนี้ชั้นสับสนไปหมดแล้วนะเว้ยใจเย็นๆนะเพื่อนนี่ยังมีอารมณ์กับเรื่องนี้สินายจะให้ฉันมีอารมณ์กับมันได้ยังไงอะแฟนฉันทิ้งชันไปแต่งานคนอื่นแบบนี้อ่นะ นายใจฉันทําใจไม่ทำเป็นทอ้อไม่รู้ร้อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอย่า ง, งั้นเหรอฮะนายก็ครวรจะทําอย่างนั้นนะเพื่อนนะไม่ได้วะฉันทําไม่ได้นี่ฉันกำลังจะคลั่งนะเพื่อนเฮ้ยดีอยานาเทพนะนายนี่จะต้องควบคุมสติให้ดีสิเข้าใจไหมอ่ะทำไมทำไมต้องเป็นฉันด้วยเอฉันจะไปไม่ไดีตรงไหนวะอบอกฉันทีสิเพื่อน ใช่มันไม่ดีตรงไหนกันแนะ่ไม่ใช่นายไม่ดีนะแต่แฟนของนายเนี่ยมันไม่รักดีต่างหากล่ะความรักที่ฉันมห้เธอนะเธอยังไม่พ อ, อยหรือไงก็เธอเป็นพวกที่ขาดความอบอุ่นพอนายไม่อยู่เธอก็เลยไปคว้าเอาใครเออีกคนมาแนบกายเธอเป็นคนมีปัญหาทางจิตนะอฉันทาอะไรไม่ถูกเลยนะเว้ยถูกเยยกลยเดี๋ยวจะร้องไห้ทั้งหมดที่ทําว่าฉันได้เธอเป็นรักชร้ายใช่ไหม s í e e s t คุณผู้หญิงแป้นขอโทษค่ะนึกว่าคุณผู้หญิงอยู่ในห้องอาหารนะคะแกเป็นอะไรไป ท, ไทําไมถึงได้วิ่งหน้าตั้งจากชั้นบนลงมาอย่างนี้ฮะแป้นแป้นตกใจนะคะตกใจตกใจเรื่องอะไรคุณเทพนะคะลูกชายฉันทําไมคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้หญิงขะคุณเทพเธอได้รับการ์ดเชิญจากอจา ก, จากใครจากคุณสุวัจรีค่ะไม่สู่เขาแจกการ์ดเชิญอะไร กาแต่งงานค่ะฮ ะ, ว, งงนะะว่าไงนะใหญ่แป้นเมื่อกี้แกพูดว่าไงฉันฟังผิดไปเองหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> คุณผู้หญิงได้ยินไม่ผิดหรอกคะ่ะมันเป็นเรื่องจริงเหรอค่ะจริงแท้แน่นอนเลยค่ะคุณผู้หญิง่ะ แม่สู่จะแต่งงานและไปแต่งงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกชายฉันอย่างนั้นเหรอค่ะคุณผู้หญิงมันเป็นไปได้ยังไงอะ่ะมันเป็นไปแล้วค่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่าแม่สู่เขาไปแต่งงานกับใครไม่ทราบเหมือนกันค่ะตายละแบบนี้ลูกชายฉันต้องคลั่งตายสิเนี่ยก็คือว่าไม่ไดีการละนี่ น, นี่ฉันจะขึ้นไปปลอบใจลูกชายฉันสักหน่อยแล้วล่ะเดี๋ยวเดยวค่ะคุณผู้หญิงค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอ้าวยายเป้น นี่มาร่างแขนใช่ไหมทำไมอ่ะอย่าขึ้นไปเลยนะคะทําไมคุณเทพเธอไม่ต้องการให้ใครเข้าไปในห้องนอนนะคะโอ้ยนี่มันยังไงกันเล่เนี่ยคือตอนเนี้ยในห้องของคุณเทพอาจจะกลายเป็นสนามปลลองความคลั่งก็ได้ค่ะเกิดคุณผู้หญิงเข้าไปในเวลานี้แล้วก็คุณผู้หญิงก็อาจจะโดนโดนลูกหลงก็ได้นะคะแต่ฉันเป็นห่วงนูชชายชั้นนี่นะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะอ้าว นี่หลอนไปได้ไรอะเรื่องอะไรมาสั่งฉันไม่ให้ห่วงลูกฉันอะฮะคือตอนเนี้คุณกี้เธออยู่กับคุณเทพนะคะก็แล้วไงล่ะยังไงซะคุณกี้ก็ปลอบใจคุณเทพได้อยู่แล้วค่ะพวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันนะคะคุณเทพน่าจะเชื่อคุณกี้มากกว่าใครๆนะคะฉันก็หวังว่าลูกชายฉันอะคงไม่ประสาทเสียจนเสียงานเจ๊กานล็อกนะโอ๊ย